เจสิังกิเลจขะทุ ก, กะหนึ่งปฏิจจวาระสามสิบเก้าสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยทุกกะนี้เหมือนโลกิยะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสังกิเลสจขะทุ ก, กะจบเจ็ดสิบเจ็ดสังกิลิธาทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ หปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจใจสีสสส่ ส, ส, สิบสภาวะธรรม ท, ทีสสส่กิเลสทำให้เจ้ามองอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่กิเลสทำให้เจ้ามองเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เจ้ามองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจ <besar> <ama>, ัยได้แก่จิตตสมุทฐานนรูปอาศัยขันที่กิเลทําให้เศร้าหมองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่กิเลทําให้เศร้าหมองและไม่ทําให้เศร้าหมองอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลทําให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานนรูปอาศัยขันหนึ่งที่กิเลทําให้เศร้าหมองเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่กิเลทไม่ทําให้เศร้าหมอง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 อาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยอ่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสี่สิบเอ็เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระ อนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมี ส, สองวาระสหชาติป wow. mm. ัจจ <drauf> ัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสองวาระปเรชาติปัจจัยมีสองวาระอาเสวณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีห้าวาระย่อ ปวิคตตปัจจัยมีห้าวาระสองปัจยะปัจญจิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุต ป, ปัจใจสี่สิบสองสภาวธรรมที่กิเลททำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลททำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะนาเหตุต ป, ปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหรโคตวิจิกิจฉาและที่สหรคตอุทจฉาอาศัยขันธ์ที่โสหรโคตวิจิกิจฉา และที่โสะหระรโคติอุทะจะเปิดขึ้นสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปั จ, จได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้ามองเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนที่ขณะที่เป็นนะเหตุตุปะเพิงเพิ่มข้อความจนถึงอาศันยนิสัตตพรม สปัจจยปัจจเนยะสองสังขยาวาระ43สินเหตุปัจจัยมีสองวาระหน้าอรมณปัจจัยมีสามวาระหนอธิปติปัจจัยมีห้าวาระหนอนันตระปัจจัยมีสามวาระหนสมนันตระปัจจัยมีสามวาระหนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระหนอุปาทิสยปัจจัยมีสามวาระหนุ้เรชาติปัจใจมีสี่วาระ นปัจฉาชาติปัจจัยมีห้าวาระนอาศวนาปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมค้ปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระ โนนัตถ์ปัจจัยมีสามวาระโนวิคตตะปัจจัยมีสามวาระการ น, นับสองอย่างนอกนี้และสหชาตาวาระพึงทำอย่างนี้เจสเจสังกิตลิธาทุกปะสปัจยาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขาวาระเหตุปัจจัย44สภาวธรรมที่กิเลตทำให้เศร้าหมอง ทำสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจใจมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองทำสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทารูปทำขันหนึ่งที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะ เพิ่มเพิ to ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองทํามะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่กิเลสทําให้เจ้ามองทําาสภวธรรมสไม่ทําให้เศยวัมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เจ้ามองทํามาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่กิเลสทําให้เจ้ามองและไม่ทําให้เศร้ามอง ทำสภาวธรรมที่กิเลหไม่ทำให้เศร้าหมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กิเลห์ทำให้เศร้าหมองทำให้วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสี่สิห้าสภาวธรรมที่กิเลห์ทำให้เศร้าหมองทำสภาวธรรมที่กิเลห์ทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่กิเลสทาให้เศร้าหมองและทําให้วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองทำสภาวะธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองและไม่ทําให้เศร้าหมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่กิเลสทาให้เศร้าหมองและทํำหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองธรรมสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและทำอาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตตสโมทานุรูปทำขันที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและทมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อ หปัจญญานุโลมสองสังคยาวาระ46เหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีสี่วาระสมนันตรปัจจัยมีสี่วาระสาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสี่วาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปานิสยาปจัยมีสี่วาระ ปเรชาตปัจจ right hey ัยม eh ีสี่วาระอาสิวะนปัจจัยมีสี่วาระระมะปัจจัยมี9้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมี9้าวาระเอินทรียปัจจัยมี9้าวาระและถึงวิคตะปัจจัยมีสี่วาระอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ 2. ปัจยปัจจญาหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุปัจจัย 47, สีสเจ็ดสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองทำสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมอง når, ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคตด้วยอุทจฉาทำขันที่สหรโคดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคตด้วยอุทัจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองทำสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศ้าหมอง ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองพึงเพิ่มข้อความจนถึงอานัยสัตยพรมจกักกุวิญญาณทจาจักกายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศ้าหมองทำสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศ้าหมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุทจจะธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้าหมองทำสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้าหมองและไม่ทำให้เจ้าหมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุุปัจจัยได้แก่ โมหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะทำขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทจจะและทำหาหทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 2. ป, ปัจจะยปัจญิยะ 2. ส, สังพยาวาระ48นะเหตุปัจจัยมีสี่วาระนะอารรมณะปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยมีห้าวาระ นอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมมันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปิเสจรปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระนปัชชาชาตปัจจัยมีเ้าวาระนอาเสวะนปัจจัยมีเก้าวาระนาปรมะปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิภยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยาวาระพึงทำอย่างนี้เจสิบเจ็ดังกิเลธาทุกะห้า สังสัถวาระหนึ่งปัจญานุลมเป็นต้นเหตุปัจจัยสี่สิบเก้าสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศ้าหมองเกิดระกควกับสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศ้าหมองเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรักควรกับขันหนึ่งที่กิเลสทำให้เศ้าหมองและถึงเกิดรัควกับขันสองสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง เกิดระควกับสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกรวกับขันหนึ่งที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและถึงเกิดรกรวกับขันสองในปฏิสนธิขณะเหตุปัจจัยมีสองวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิคตาปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบห้าสิบสภาวะธรรมที่กิเลทําให้เศร้ามองเปิดรคนกับสภาวะธรรมที่กิเลทําไม่เศร้ามองเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหรคตด้วยวิจิกิจช า, ยายและที่สหรคตด้วยอุทจจะเปิดรคนกับขันที่โ <expectations> สหรคตด้วยวิจิกิจชาและท uh? ี่โสหรโคด้วยอุทจจะสภาวธรรมที่กิเลไม่ทําให้เศร้ามอง เกิดรคนกับสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเพราะนั่เหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองละถึงเกิดรคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นนะ่นเห ต, เห ต, ตุตุปัจจใจมีสองวาระนาทิปติปัจจัยมีสองวาระนบปุเรชาติปัจจใจมีสองวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีสองวาระ นอาเสวณะปัจจใจมีสองวาระนกรรมปัจจใจมีสองวาระนวิปากะปัจจัยมีสองวาระนชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจใจมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระปัจญี่ยจบการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวาระพึงทำอย่างนี้ เจสิังจิตลิธาทุกกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุตปัจใจห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่กิเลธำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมทีท่กิเลธำให้เศร้าหมองโดยเหตุตปัจจัยได้แก่เหตุจจที่กิเลธำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่กิเลส ท, ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยเหตุถูปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่กิเลส ท, ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองโดยเหตุถูปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมบยุทธคัน และจิตตะสมุทานรูปโดยเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองโดยเหตุถูปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองเป็นปัจจัยแห่สัมปยุทธะขันธ์และจิตตะสมุทานรูปโดยเหตุถูปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัยห้าสบสองสภาวะธรรมที่กิเลสทําให้เศร้ามอง เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทาให้เจ้าหมองโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลเพลินราคะเพราะปราลรบความยินดีเพลเพลินราคะนั้นราคะทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทจจะโทมณ์จึงเกิดขึ้นยินดีทิฏฐิเหมือนกับกุชลติดกะเพราะปรารวิจิกิจฉาเพราะปรารลอุทจัจจะโทมณ์จึงเกิดขึ้น ทิฏฐิวิจิการิชาอุทจจะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่กิเลทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยอรหันต์ปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่กิเลทําให้เศร้าหมองโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิฏฐิกิเลทําให้เศร้าหมอง ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่กิเลส ท, ทาให้เจ้าหมองเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปูเพนิวาสารวสติญาณยถากระมูปัคขญาณอนาคตังจายานและอาวัชนจิตโดยอรมณ์ปัจจัยห้สสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองโดยอรมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ พิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคละถึงเป็นปัจจัยแกอ่อวชนะจิตโดยอรมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุหะไทยวัตถุและขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นรูปด้วยที่ปั จ, จักปุกละถึงเป็นปัจจัยแก่อนาคตต่างจัยานและอวชนะจิต โดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่กิเลส ท, ทำให้เศร้าหมองโดยอรมณปัจจัจได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลออกจากฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาทัยวัตถุและขันธ์ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเพราะปรารกความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะโทมณ์จึงเกิดขึ้น อธิปติปัจใจห้าสิบสี่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้าหมองเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองโดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปฏิอารมนาทิปฏิได้แก่บุคคลยินดีเพลเพลิงราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลเพลิงราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิจิจึงเกิดขึ้น ยินด <elet> ีเพลเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลเพลนทิฏฐินั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละถึงสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่กิเลททำให้เจ้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจจขันโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลททำให้เจ้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลไม่ทำให้เศร้ามองโดยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียว คือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจตะขัน และจิตตสมัมผัสฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจห้าสิบห้าสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปติและสหาชาตาทิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารนากุศลที่เคยสังสมเวดีแล้ว ออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละถึงนิพพานเป็นปัจจัยแฝ่ผลโดยที่ปฏิปัจจัยสชาตาธิปติได้แก่พระทิฏฐิธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองเป็นปัจจัยแฝ่สัมพยุตจฐานและจิตตาสมุทฐานรูปโดยทปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมอง เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เจ้าหมองโดยทุปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาทุตติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทัยวัตถุและขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยเป็นต้นห้สาสหกสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เจ้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เจ้าหมองโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เจ้าหมองซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เจ้าหมองซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เจ้าหมอง เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยนันตระปัจจัยได้แก่ขันที่กิเลสทาให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยนันตระปัจจัยห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยอนันทรปัจจัยได้แก่ขันที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองซึ่งเกิดหลังๆ และถึงเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เจ้ามองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่อาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เจ้ามองโดยอนันตรัปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตรัปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชาชาตาปัจจัยมีห้าวาระ เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปาณิสยาปัจจัยห้าสิบปดสภาวธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออระมณูปานิสยาอนันตารูปานิสยาและประกาูปานิสยาประกาูปานิสยาได้แก่ บุคคลอาศัยราคะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงอาศัยโทสะความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงราคะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะความปรารถนาโดยอุปาินส ย, ยปัจจัยสภาวะธรรมที่กิเลทําให้เจ้ามองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลไม่ทําให้เศร้ามองโดยอุปาินสยปัจจัยมีสองอย่างเคอนันตุรูปานิสยและปะกะตูปานิสยา ปะกตศูปันิยยะได้แก่บุคคลอาใายราคะแล้วให้ทานธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นอาสัยโทสะความปรารถนาแล้วให้ทานธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะความปรารถนาเป็นปัจจัยแห่ศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและภารสมาบัติโดยอุปนิยยปัจจัยห้าสเกสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง เป็นปัจจัยแค่สมาชภาพธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออาราโมปะนิสยาอนันตารูปานิสยาและปะกระตูปะนิสยาปะกระตูปะนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะและเสนาชนะแล้วให้ทานธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้น ศรัทธาไซนาสนะเป็นปจัจจัยแฝ่ศรัทธาพระสมมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองโดยอุปาณิสยปัจจัยจมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยอนันตารูปาณิสยและประกรตูปาณิสยาปะกรตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิ อาศัยศีลปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะและเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะความปรารถนาโดยอุปาินสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยหกสิบสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมณบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะยอ่อสภาวะธรมรม ท, ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองโดยบุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะยอ่อปัจฉาชาตะปัจจัยและอาเสวนาปัจจัยหกสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองๆๆๆ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมะปัจจัยหกสิบสองสภาวะธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมอง เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจขันโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่กิเลสทาให้เศร้าหมอง เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจยัยนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่กิเลททำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกระตัตตารูปโดยกรรมปัจจยัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลได้แก่เจตนาที่กิเลททำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมยุทธขันท์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลไม่ทำให้เศร้าหมอง เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยก a ม m a ปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนานาคณิกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่กิเลสไม่ทมําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตขัน์และจิตตะสมุทานรูปโดยก a ม m a ปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่กิเลสไม่ทมําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกระตัลตารูป โดยกรรม er ปัจจัยวิปากะปัจจัยเป็นต้นหกสิบสามสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยวิปากะปัจจ <im> ัยมีหน voilà. <im> ึ่งวาระสภาวธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองโดยอาหารราปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทริย์ปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัย เป็นปัจจัยโดยมรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมพยุตตปัจจัยวิปยุตตะปัจจัยหกสิบสี่สภาวธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมอง โดยวิบิยุติปัจจัยมีสามอย่างคือชาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่เกลเลอไม่ทําให้เจ้ามองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกลเลอทําให้เจ้ามองโดยวิบิยุติปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เกลเลอทําให้เจ้าหมองโดยวิบิยุติปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้นหกสิห้า สภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เจ้ามองโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสัชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามอง และไม่ทําให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรม ท, ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือชาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรีย์ย่อสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรม ท, ที่กิเลสทําให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจัยมีสองอย่าง คือสหชาตะและปุเรชาตะย่อหกสิบหสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองและไม่ทำให้เศ้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศ้ามองโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่กิเลสทำให้เศ้ามองและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองย่อ สภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจ <Commons> <ommt> ัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาติมหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและมหาภูทรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและโกลิงกราหาน เป็นปัจจัยแ่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันที่กีริยททำให้เจ้ามองและรูปปชีวิตินสี่เป็นปัจจัยแฉกตัตารูปโดยอธิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยหนึ่งปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทนาย67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 อาเสวนปัจจ um ัยม um ีสอ mm. งวาระกรรมปัจัจมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจัจมีสี่วาระอินทรียะปัจัจมีสี่วาระชาณะปัจัจมีสี่วาระมัคคะปัจัจมีสี่วาระสามยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยมีเจดวาระนัติปัจจมีสี่วาระ วิคตาปัจใจมีสี่วาระอวิคตาปัจจัยมีเจ็ดวาระสองปัญนียุทธาระหกสิบแปดสภาวธรรมที่กิเลธำให้เจ้ามองเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่กิเลธำให้เจ้ามองโดยอารมณ์ปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิเสสยปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลธำให้เจ้ามองเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่กิเลไม่ทำให้เจ้ามองโดยอารมณ์ปัจจัย สหะชาตปัจจัยอุปานิสยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลธำให้เจ้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลธำให้เจ้ามองและไม่ทำให้เจ้าหมองโดยสหชาตปัจจัยหกสสภาวธรรมที่กิเลไม่ทำให้เจ้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลไม่ทำให้เจ้าหมองโดยอารมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปานิสยปัจจัย ปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยรมณปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมอง โดยชาชาติปัจจัยและปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยชหชาติปัจจัยปัจชาชาติปัจจัยมหาระปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัย 2. ปัจิยปัจญิยะ 2. สัมคยาวาระสุทไนยเจนเหตุุปปัจจัยมีเจดวาระ ณอารมณปัจจัยมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณอนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระณชหชาตะปัจจัยมีห้าวาระณอัญยมัญญปัจจัยมีห้าวาระณนิเสยปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิเสยปัจจัยมีเจดวาระณปเรชาตะปัจจัยมีหวาระณปัช้าชาตะปัจจัยมีเจดวาระ และถึงะมัคคะปัจจัยมีเจดวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสี่วาระโนอัิปัจจัยมีสี่วาระโนนธิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจนี่ยะเจ็อณอารมณะปัจจัยกัะเพรตุปัจจัยมีสี่วาระ ณอธิปฏิปัจัจมีสี่วาระณอนันตระปัจใจมีสี่วาระณสมณันตระปัจใจมีสี่วาระณอัญญมันยะปัจจัยมีสองวาระณอุปาณิเสยะปัจใจมีสี่วาระละถึงณสัมบยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิบยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจใจมีสี่วาระโนวิคตปัจจมีสี่วาระ 4. ปัจยะปัจญิยานุโลม 72. อารมณะปัจจัยกรรัน้นเหตุถปัจจัยมีสวาระอธิปติปัจจัยมี5วาระพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจวาระสังกิตลิธาทุกะจบ 78. กิเลสะสัมปยุตต ท, ทุกะ 1. ปฏิจจวาระ 73. สภาวะธรรมที่สัมปยุตได้กิเลส อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตติกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตติกิเลสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตติกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันที่สัมปยุตติกิเลสเกิดขึ้นกิเลสสัมปยุตตาทุกกะ เหมือนกับสังกิเลธาทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันกีเลสะจำยุธตาทุกะจบ